เว้นขาดจากการถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของมีได้ให้ 3. เว้นขาดจากการสมสู่ในหญิงมีเจ้าของการประพฤติทำด้วยวาจาได้แก่ 1. เว้นขาดจากการพูดเท็จ 2. เว้นขาดจากการยุยงสอเสียด 3. เว้นขาดจากการพูดคํหยาบสี่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 ต้างก็แย้มกรีบทรงกลิ่นละรื่นอีกทั้งยังตั้งอยู่ริมฝั่งสะโบกขอรณีอัญชวนทัศนาเรียงรายไปด้วยไม้หูกว้างขนุนสมรรกับทั้งไม้เลื้อยชูดอกออกช่อหอมละรื่นห้อยย้อยเกาะกายลงมาจากปลายใบต้นตาลและมะพร้าวคล้ายกับขายแก้วมันีและแก้วประพานอันหนึ่งต้นไม้และดอกผลทั้งหลายซึ่งเกิดอยู่ทั้งในน้ำและบนโบก เป็นลุกขชาตเห็นได้ในเมืองมนุษย์และไม่มีให้เห็นในเมืองมนุษย์ตลอดจนพันไม้ที่ประจำเมืองสวรรค์ก็มีพร้อมอยู่ใกล้วิมานจากเสสวดีวิมานมุมมองอันควรได้จากพุทธพน์และคำให้การของเทวดาหนังฟ้าเมื่อพระพุทธองค์ทรงเปรียบเทวภูมิเหมือนปราศาสตร์ก็แปลว่า